บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการบำเพ็ญกรรมฐานหรือการนั่งสมาธินั้นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทุกคนผู้ปฏิบัติก็คือว่าทำไมนั่งไปแล้วจิตใจจึงยังไม่สงบ หรือทาไมความสงบที่เกิดขึ้นแล้วจึงเลือนหายไปแม้จะเพียรพยายามให้เกิดความสงบอีกก็ไม่เกิดความสงบขึ้นมาเป็นต้นความสงสัยความไม่แน่ใจตลอดถึงคำถามต่างๆจะเกิดขึ้นโดยลำดับเมื่อบุคคลปฏิบัติกรรมฐานก้าวหน้าไปโดยผ่านขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ ถ้าหากว่าลองสังเกตดูแม้ในเรื่องอื่นเครื่องหมายคำถามก็จะเกิดขึ้นโดยทํานองเดียวกันเช่นคนเดินไปในขนทางปัญหาจะติดตามขึ้นมาตลอดไปบางครั้งเป็นเรื่องคิดตัวเองบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกมีสิ่งที่บุคคลเห็นเป็นต้น เพราะฉะนั้นคำถามในลักษณะนี้จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะเกิดขึ้นได้แม้แก่พระพุทธเจ้าและแก่พระอระหันต์ทั้งหลายปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการตอบปัญหาเหล่านั้นได้ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักหรือปัจจัยที่ทมให้ ความสงบไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วเรือนหายไปแม้นิมิตก็ไม่ปรากฏเป็นตน้นแกพระเถระทั้งหลายมีพระอนุรุตพระพกุพระกิมพิละเป็นตน้นซึ่งได้ไปบำเพ็ญเพียรหลังจากบวชแล้วได้ไม่นานท่านได้กราบทูลถวายให้สงทราบว่าในขณะที่ท่านนั่งกรทำกรรมฐานอยู่นั้น บางครั้งบางครั้งความสงบเกิดขึ้นบางครั้งได้เห็นแสงสว่างและบางครั้งก็เกิดนิมิตขึ้นในลักษณะต่างๆแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นตั้งอยู่เพียงชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เลือหายไปแต่ว่าในขณะใดที่ความสงบเกิดขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นด้วยแต่พอความสงบหายไป แสงสว่างกลับเลือนหายไปเสด้วยแม้จะเพียรพยายามให้เกิดอีกก็ไม่ยอมเกิดขึ้นมาจะให้ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธมีพระภาคยจ้าวได้ทรงชี้แจงให้ท่านเหล่านั้นทราบว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้พระองค์เองเมื่อบำเพ็ญเพียรทางใจก่อนที่จะสัสรุก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันและได้ทรงวิเคราะห์ตรวจสอบ ถึงเหตุที่ความไม่สงบยังคงมีอยู่ภายในจิตใจความสงบไม่บังเกิดขึ้นนิมิตตั้งอยู่ไม่ได้นานแสงสว่างเลือนหายไปเป็นต้นว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นเรื่องของความลังเลสงสัยไม่แน่ใจซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยพิสดารในตอนที่ว่าด้วยนิวรณ์ แต่ได้โปรดเข้าใจว่าเรื่องความลังเลสงสัยนั้นแม้บางครั้งบางคราวบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตนไม่มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ดำรงอยู่มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นแล้วความสงสัยก็จะเกิดขึ้นได้ เรื่องของความสงสัยเป็นอาการของโมหะซึ่งปรากฏตัวออกมาในรูปของความสงสัยกับความพุ่งส่้างสรสะแแห่งจิตดังนั้นถ้าเห็นว่ายังมีความลังเลสงสัยอยู่บุคคลจำเป็นจะต้องอาศัยทางด้านปริยัติคือการศึกษาการสับสอบฟังการกำหนดพินิจพิจารณาโดยอาศัยหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ คือการทําไว้ในใจโดยเหตุโดยผลโดยวานแยบคายในเรื่องนั้นๆในอารมณ์นั้นๆก็จะบรรเทาความสงสัยลงไปได้หรือบางครั้งเกิดขึ้นจากมนสิกานคือการกระทําไว้ในใจซึ่งอารมณ์กรรมฐานไม่ดีการทําไม่ดีนั้นอาจเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นว่าเลือกกรรมฐานที่ไม่ถูกกับปัจจัยใสายของตน พอเกิดจะตั้งสติระลึกในกรรมาฐานข้อนั้นข้าวใจไม่ยอมจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เหล่านั้นวิ่งทัสายอยู่ตลอดไปความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้บางครั้งจิตพลากจากอารมณ์ที่ตนกำลังปฏิบัติอยู่เช่นว่ากำหนดหายใจเข้า ว, ว่าพุธหายใจออกว่าโถหรือว่าตามลมหรือว่านับลมก็ตาม สติที่กำหนดระลึกอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐา น, นนั้นๆไม่แนบอยู่กับอารมณ์ที่แท้จริงแต่จะเกิดความเผลอเรอเกิดความหลงลืมเกิดความพลางพลาดเป็นจังหวะเป็นจังหวะไปซึ่งแน่นอนถ้าเป็นเช่นนี้ความสงบก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่ทรงแสดงว่าเราไม่กล่าวอนาปานสติ สำหรับบุคคลผู้มีความเผยเรสติเป็นการเชีย่ยเห็นว่าอนาปานาสติจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นั้นสติของบุคคลจะต้องไม่เผยเรอไม่หลงดื่มกำหนดอารมณ์กรรมฐานข้อใดเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องกำหนดสติจะต้องอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง ที่บุคคลแต่ละคนจะต้องสวจสอบตนด้วยตนเองว่าการมณสิการถึงกรรมฐานคือการใส่ใจการกําหนดของตนถึงอารมณ์ของกรรมฐานนั้นดีหรือไม่ดีถูกต้องตามที่ทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องก็แก้ให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าถูกต้องอยู่แล้วก็ให้มณสิการเพล่ยไป โดยไม่จำเป็นจะต้องขวอยคว้าปรารถนาผลอะไรทั้งสิ้นเพราะด้วยการมานัสิการที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อเหตุที่บุคคลลงมือประกอบเพิ่มพูนขึ้นผลก็จะเพิ่มพูนขึ้นและความสงบเองก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับประการต่อไปคืออาการง่วงนอนอาการเสื่อมซึมงอยเงา ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริจิต์ของบุคคลโน้มน้อมเข้าสู่ความสงบนั้นถ้าหากว่าความเพียรในการกำหนดรู้ลึกอารมณ์ของกรรมฐานเกิดจอรไปใจก็จะตกเข้าสู่ความสงบให้สังเกตว่าเวลาใจเริ่มตัดอารมณ์จากภายนอกนั้นตามปกติแล้วคนจะเข้าสู่ความสงบคือหลับ ก่อนหลับบุคคลจึงต้องตัดอารมณ์จากภายนอกมาก่อนโดยลาดับแต่ว่าการจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามแทนที่จะให้หลับก็เพิ่มความเพียรพยายามให้เกิดความสงบขึ้นในอารมณ์ของกรรมฐาน น, นั้นๆนแต่ว่าตามปกติแล้วใจเคยชินกับอารมณ์คือพอเริ่มตัดก็หลับ และอาศัยความเคยชินเช่นนี้ท่านในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ความเพียรเกิดจอ่อนไปสติเกิดเผือไปคนก็เข้าสู่ความหลับแม้จะนั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็เหมือนกันดังนั้นเรื่องของถีนมิทะจึงทรงแสดงไว้ทุกขนทุกแข่งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพราะถ้าหากว่าเกิดความง่วงขึ้นมาครอบงำแล้วก็เป็นนั้นว่า จบสิ้นกันดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลแก้ด้วยอาโร ก, กัสัญญาคือกําหนดหมายให้เป็นแสงสว่างแท้ที่จริงการกําหนดหมายให้เป็นแสงสว่างนั้นเป็นการสร้างภาพขึ้นภายในจิตใจของตนเองบุคคลผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นย่อมจะสร้างขึ้นได้โดยยากแต่สมบผู้ที่ปฏิบัติจนเกิดนิมิตเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้ จะสร้างแสงสว่างขึ้นภายในจิตใจกำหนดระลึกอยู่ที่แสงสว่างก็จะแก้อาการที่เรียกว่าถีนมิทะลงไปได้ประการต่อไปคืออาการสะดุ้งของจิตตามปกติแล้วจะพบว่าความสะดุ้งของจิตนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าเปรี่ยวที่เรียกว่าเป็นสุญยาคาศบ้าง เป็นโคนไม้บ้างเป็นเรือนบ้านบ้างแต่ว่าถึงอย่างนั้นแม้บุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างในสถานที่นี้ซึ่งไม่น่าจะไปหวาดไปสะดุ้งอะไรก็ตามแต่เนื่องจากในชีวิตประจำวันบุคคลได้สนทนาพบปะคุยกับคนนั้นคนนี้ว่าเห็นคนอื่นเขานั่งกรรมฐานแล้วเป็นอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าไป <c oughs> ไปเห็นผีสางเป็นต้นตลอดถึงไปเก็บอารมณ์ต่างๆที่เขาเล่าเอาไว้ว่าคนนั่งกรรมฐ า, านแล้วสติวิปลาดไปเป็นอาทิตย์ตนได้น้อมนึกอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาก็เกิดหวาดเกิดสะดุ้งกลัวจะเป็นเช่นนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าความตรึกนึกที่ผิดก็อเจอจก่อให้เกิดเป็นความหวาดสะดุ้งขึ้นได้โดยไม่จําเป็นว่า สถานที่เหล่านั้นจะทำให้สะดุ้งหรือไม่ก็ตามในกรณีที่เกี่ยวกับสถานที่ถ้าเกิดความหวาดความสะดุ้งขึ้นนั้นในเบื้องต้นทรงสอนให้แก้ด้วยการเจริญอนุสติคือสาทยายบทว่าอิติปิโสปกวาสวาขาโตสุปฏิปโนเป็นต้น ให้ใจสงบอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณจนเกิดมีความรู้สึกว่าในขณะนี้ตนมีพุทธะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพคุ้มครองตนอยู่แม้จะมีอะไรมาทาให้หวาดให้สะดุง้งให้กลัวก็ตามอนุภาพของพระตัณฑ์ใจ ร, รักษาจนอยู่ตนวางใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบขึ้นได้ ใจของบุคคลก็จะตัดจากความวาดความสะดุ้งที่มาจากปัจจัยภายนอกแต่ว่าความวาดความสะดุ้งที่เกิดขึ้นจากการปรุงคิดการคิดปรุงโดยอาศัยสัญญาเก่าที่เคยได้ยินได้ฟังที่เคยล่าสู่กันฟังนั้นจําเป็นจะต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการคือการกำหนดการพินิษพิจารณาเห็นว่า เรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษรู้ของพระผู้มีพระภาคยาวพระองค์ได้ทรงสแสดงเอาไว้มีบุคคลเป็นนั้นมากจากอดีตถึงปัจจุบันที่ดำเนินไปตามหลักซึ่งทรงสแสดงไว้ประสบผลในชั้นานั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนถ้าหากว่าใครก็ตามปฏิบัติสมาธิแล้วเกิดสติวิปลาดไป ก็แสดงว่าบุคคลนั้นปฏิบัติผิดแต่เมื่อเราได้ปฏิบัติตรงต่อข้อธรรมะขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ลักษณะเช่นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราด้วยความเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยจะก่อให้เกิดเป็นความเชื่อมั่นในปฏิปทาเครื่องปฏิบัติของตนเองจะขจัดความหวาดความสะดุ้งกลัวหลดนั้นลงไปได้ แม้ในกรณีที่เป็นภาพเป็นนิมิตต่างๆก็เหมือนกันซึ่งแน่นอนกรรมฐานบางอย่างอาจจะปรากฏเป็นนิมิตที่น่ากลัวเช่นผู้ที่เจริญอสุภกรรมฐานหรือกายกตาสติอาจเจะพบเห็นนิมิตที่เป็นรูปซากศพเป็นต้นแต่ถ้าหากว่านิมิตเหล่านั้นบังเกิดขึ้นบุคคลก็ต้องอาศัยมานสสีการที่จะแก้ทาง อารมณ์ไม่ให้เกิดความหวัดสสดุงเอาไว้บ้างนิมิตก็คือนิมิตเป็นภาพมายาที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีอันตรายแก่บุคคลแต่ประการใดขอให้ยึดมั่นอยู่ที่ความสงบยึดมั่นอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานเท่านั้นนิมิตเหล่านั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ในการบอกให้เราทราบว่าจิตใจของเรามีความสงบแล้วเดินถูกทางแล้ว เป็นครูที่จะสอนให้เราได้ใช้ปีนิดพิจารณาความจริงแห่งสังขารทั้งหลายตามพระัยรักเท่านั้นเองถ้าสามารถปรริุการได้เช่นนี้อาการหวาดอาการสะดุ้งต่างๆก็จะบรรเทาบาบางลงไปใจก็จะยังเข้าสู่ความสงบได้ระการต่อไปคืออาการตื่นเต้นการปฏิบัติกรรมฐานเป็นงานใหม่ ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติมาแล้วนานก็ตามแต่เมื่อเทียบการเวลาที่บุคคลอยู่ด้วยอารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ของกรรมฐานแล้วห่างไกลกันได้เกินเวลาปฏิบัติไปอาจจะเกิดความตื่นเต้นในหลักการประพฤติปฏิบัติเพราะดูคล้ายๆกับว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์มากมายได้เกินอาจจะตื่นเต้นกลัวว่าตัวจะทําให้ถูกตัวจะทําพลาดเป็นตน้น ดังนั้นในชั้นของปริยัตสมัยโบราณจริงๆเพื่อจะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีพระอาจารย์ทั้งหลายก็ดีจะสั่งสอนตอกย้ำให้ลูกศิษย์เข้าใจจนสามารถท่องได้จำได้เวลาปฏิบัติไปก็จะไม่เกิดความผิดพลาดในปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเป็นอันมากทั้งเป็นเอกสารหนังสือทั้งเป็นคำบรรยายทั้งเป็นคาแนะนา จากครูบาอาจารย์และเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมความตื่นเต้นหวาดกลัวว่าจะปฏิบัติผิดจะปฏิบัติพลาดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอาการตื่นเต้นที่เกิดขึ้นก็จะมีได้อย่างในกรณีที่จิตเริ่มโน้มน้อมเข้าสู่ความสงบเนื่องจากคนเรามีความเคยชินกับอารมณ์ภายนอกพอใจอย่างลงสู่ความสงบอาจจะตื่นเต้นขึ้นมาก็ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยหลักของโยนิโสมนัสิการเช่นเดียวกันคือพิจารณาโดยอุบายแยบคายเห็นว่าการปฏิบัติกรรมฐานของเราก็คือมุ่งที่จะให้จิตใจสงบให้นิวรัธรรมจึงเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจสงบเวลานี้ความสงบได้เกิดขึ้นแล้วผลที่พึงปรารถนาของเราได้ปรากฏขึ้นแล้วเราจะต้องเพียรพยายามต่อไป ระงับใจบรรเทาความตื่นเต้นออกเอาไว้ในที่สุดความตื่นเต้นเหล่านั้นก็จะหายไปได้อีกประการหนึ่งทรงแสดงว่าความเพียรที่หย่อนเกินไปและตึงเกินไปข้อนี้จะพบว่าเป็นหลักการที่มีความสําคัญพระพุทธเจ้าเองที่เกิดหลงทางอยู่ในตอนต้นก่อนการจัดสรู้ก็คือเรื่องเกินไปทั้งสองประการบางครั้งก็ เอาจริงเอาจาังเกินไปบางครั้งก็หย่อนเกินไปเลยไม่เข้าเส้นทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาสักทีหนึ่งแต่เมื่อได้อาศัยเสียงพิณซึ่งบุคคลขับร้องก็ได้แนวในการปฏิบัติว่าข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นบางอย่างก็ตึงไปบางอย่างก็หย่อนไปจึงมาควบคุมให้อยู่ที่จุดสายกลางดังนั้นเวลาสั่งสอนธรรมะ หรือแม้แต่การชี้แจงการปฏิบัติงานอย่างอื่นก็เหมือนกันหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ที่มัชชิมาปฏิปทาทั้งหมดไม่หย่อนไปและไม่ตึงไปหรือไม่ขวาจัดและไม่ซ้ายจัดข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าความเพียรพยายามที่ตึงเกินไปมุ่งมั่นที่จะเอาให้ได้จะบรรลุให้ได้จะไม่บรรลุเลย ทั้งนี้เป็นเพราะไรเพราะใจของบุคคลจะฟุ้งสัน้นไม่มีความสงบข้อนี้ได้ทรงชี้ตัวอย่างของพระธีระรูปหนึ่งชื่อโสนโกริพิสสะท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเมื่อเริ่มปฏิบัตินั่งกรรมาฐานเดินจงกรมนั่งกรรมาฐานเดินจงกรมเดินจงกรมจนเท้าแตกเลือดไหลโชกก็ยังเดินจงกรมอยู่ ทุกเวทนาปรากฏขึ้นทั้งแก่ร่างกายและแก่จิตใจใจแทนที่จะอยู่กับอารมณ์ของกา ร, รมาถานก็ไปอยู่ที่ปวดที่เจ็บที่เลือดที่ทุกขเวทนาเหล่านั้นความไม่สงบก็ปรากฏมากยิ่งขึ้นความสงบที่ควรจะมีก็มีไม่ได้พระบูมีพระภาคเจ้าจึงต้องเสด็จมาชี้แจงให้ท่านเข้าใจโดยโด้วยอุปมาสายพินทั้งสามสายอย่างที่ว่ามาแล้ว หรืออย่างพระอานุทิระในรับพุทธพยากรณ์ในสํานักของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอราหันต์ก่อนวันรมปฐมสังขายนาวันหนึ่งในคืนที่รุ่งขึ้นจะทำปฐมสังขารนานั้นท่านเริ่มบําเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้ามีความตั้งใจให้ทรงตามพุทธทํานายเอาไว้ปรากฏว่า ไม่เกิดความสงบไม่เกิดผลที่ต้องการทั้งๆ ท, ที่เป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วก็ตามแต่อาศัยที่ท่านมีความรอบรู้มีความแตกฉานในปริยัติก็เกิดกาหนดว่าความเพียรของเราคงจะมากไปหน่อยก็เลยนั่งลงเพื่อจะพักเมื่อตัดใจที่จะพักระดับของความเพียรก็ปรับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าพอดี ท่านก็เลยบรรลุอรหัตในระหว่างอุรยาบททั้งสี่ซึ่งเป็นการบรรลุที่แปลกคือจะว่ายืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่แต่เมื่อท่านหยุดเดินนั่งลงเพื่อจะเหยียดตัวหัวยังไม่ถึงหมอนก็บรรลุมาก่อไปนี่แสดงให้เห็นว่าความเพียรที่ตึงไปนั้นเป็นอันตรายในการประพฤติปฏิบัติยิ่งความเพียรที่หย่อนเกินไปใจจะสายไปในอารมณ์ต่าง ดังนั้นการปฏิบัติจึงเปรียบเหมือนกับการเดินทางถ้าเร่งรัดเกินไปต้องการที่จะให้ถึงเร็วเกินไปเหมือนกับคนวิ่งไปในทางที่ไกลๆโอกาสที่จะถึงก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าหย่อนเกินไปเดินเดินหยุดหยุดหรือหยุดมากกว่าเดินโอกาสที่จะถึงก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเดินไปโดยลําดับไม่เร่งรัดแต่มีความมั่นคงอยู่เรื่อย เมื่อถึงจุดหนึ่งบุคคลเหล่านั้นก็จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของตนได้ระการต่อไปคืออาการทยานอยากของจิตคนเราตามปกติแล้วเวลาทำอะไรก็ตามว่าปรารถนาที่จะให้ได้ผลเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นแต่เนื่องจากภายในจิตใจของคนของคนมีโลภคือความโลภมีตัณหาคือความทยานอยากอยู่ ผลที่ตนต้องการจึงมักจะเกินเหตุเสมอเช่นว่าประกอบเหตุขนาดนี้แต่ต้องการผลมากกว่านี้การแสดงออกของบุคคลจึงปรากฏมาในรูปของการนิยมเล่นการพนันหรือการเสี่ยงในลักษณะต่างๆเพราะเห็นว่าลงทุนน้อยแต่ได้มากนี่เป็นอาการของความโลภซึ่งแสดงออกมาแรงผิดปกติ พอมาถึงชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานความโลภเองก็ยังไม่สงบแสดงออกมาในรูปของความทยานอยากเมื่อนั่งต้องการให้เกิดความสงบก็อยากสงบไออยากสงบนั้นมมนสงบไม่ได้เพราะความอยากนั้นเป็นกา ม, มาฉันเป็นฉันทะเป็นตันหาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของความอยากสมาธิเป็นตัวสงบตันหาแต่ในขณะนั้นจิตยังมีความอยากมีตัหาอยู่ แล้วต้องการสมาธิด้วยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับต้องการจะให้ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันมีทั้งมืดทั้งสว่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ข้อต่อไปก็คือว่ากำหนดธรรมะมากเกินไปได้แก่เวลาที่ปฏิบัตินั้นคิดธรรมะข้อน้อนบ้างข้อนี้บ้างข้อนั้นบ้างคิดไปดยไปในชั้นของความคิด เป็นผลในการให้ความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ก่อให้เกิดความสงบเพราะเรื่องของความสงบจิตจะต้องแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าจิตปิ๊งไปคิดเรื่องนั้นทีคิดเรื่องนี้ทีคิดเรื่องโน้นทีความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้และแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานที่กําหนดเป็นสามฐานอย่างที่เคยแสดงเอาไว้คือปลายจมูกคาทัยและเหนือนาพีนั้น แค่ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้จิตสงบได้แต่เป็นบันไดขั้นฝึกปลือเบื้องต้นเท่านั้นเองทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจรับอารมณ์มามากหรือเกินนิ่งๆจะให้สงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากท่านจึงสอนให้บุคคลสร้างความเคยชินให้แก่จิตใจค่อยๆโน้มน้อมเข้ามาสู่ความสงบ อย่างน้อยก็ให้อยู่ที่จุด3ามจุดคือไม่ไกลกา ย, กายแต่ให้อยู่กับกายแต่ถ้าถึงจุดของความสงบจริงๆ จ, จ, จะต้องอยู่ที่นิมิตที่สติที่อารมณ์ของกรรมฐานคือหมายความว่านิมิตที่บุคคลกําหนดระลึกนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสติที่กําหนดระลึกเรื่องเหล่านั้น สติจะต้องอยู่กับอารมณ์ที่ระลึกตลอดเวลาแล้วความสงบจึงจะปรากฏเกิดขึ้นบางครั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นเองเป็นตัวอุปสรรคที่ไม่ให้จิตก้าวไปข้างหน้าข้าวทำนองคนที่เดินในขนทางเพื่อจะไปในสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วไปพบสถานที่สวยงามก็เพลินอยู่กับสถานที่เหล่านั้น เลยก็หยุดอยู่ในที่นั้นเองไม่ยอมไปเพราะที่จริงในชั้นเสียหายก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรรุนแรงแต่ว่าก็ทำให้บุคคลผู้นั้นไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั้นเช่นบุคคลไปติดในโอภาสในแสงสว่างในนิมิตซึ่งมีรูปมีแสงมีสีต่างๆแต่ละอย่างนั้นก็ให้เกิดความเพลินความยินดีแก่บุคคลทั้งนั้น ถ้ามัวเพลินมัวเพง่งนิมิตมัวปรุงนิมิตมัวติดในนิมิตเหล่านั้นอยู่ก็เดินไม่ได้อย่างที่ได้แสดงในวันก่อนแล้วว่าเมื่อปรากฏนิมิตอย่างไรก็ตามพระผู้มีพระภาคแก้วสอนไม่ให้ใส่ใจในนิมิตเหล่านั้นโดยกําหนดรู้ว่าเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งสติระลึกอยู่ในอารมณ์ที่ตนกาหนดระลึกอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสงบที่เรียกว่าเป็นสมาธิในชั้นนั้นๆโดยลำดับอุปสรรคของความสงบที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีทุกอย่างเพราะใจะเกิดขึ้นได้แต่ละอย่างนั้นคราวละอย่างเท่านั้นเองเมื่อสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคของสมาธิ เป็นอันตรายแก่สมาธิแล้วพยายามน้อมนำธรรมะซึ่งเป็นอุปการะต่อสมาธิที่เป็นผ่ายตรงกันข้ามกับอกุศลเหล่านั้นมาไว้ภายในใจเพื่อกะจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ได้เสีย ก, ก่อนแล้วใจก็กำหนดลึกจูที่กรรมาฐานไปเมื่อปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดพลาดเช่นนี้แล้วความสงบ ก, ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ ตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป